พูดถึงเรื่องความเพียร น, นะพุดถึงเรื่องกิเลส น, นะที่มาอยู่กับหมู่เพื่อนนี่มันเป็นเรื่องฟื้นฝืนเหมือนกั น, นเป็นลกนักษณะฝื้นฝื้นอยู่ไปเราก็ทราบว่านิสัยคนไม่เหมือนกัน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 ความเคลื่อนที่เหล่านั้นก็จะไม่ค่อยมีเนี่ยที่เคยดุดาว่ากล่าวท่านเน้อยู่เสมอเป็นข้อเห็นนี่เองพอตามองไปเห็นมันมีสิ่งที่ขวางตาแล้วว่าสิ่งที่ขวางนั้นคือความบกพร่องของผููนั้นนคําพูดแสดงออกมาเป็นความรอบครอบหรือไม่รอบครอบมันก็มาสะดุด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 เร่อนี้มันไม่ผิดกันอะไรมัน เ, มนเหมือนกันสติปัญญาเป็นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติไปที่ไหนสติปัญญาอยู่กับตัว ย, ตย่อมแครียดคาดปลอดภัยภายในจิตใจก็ดีหรือทําหน้าที่การงานอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาด คืองติปัญญาจริงเป็นเรื่องสําคัญอยู่มากในวงปฏิบัติเพราะสิ่งภายนอกที่แสดงออกก็ส่อมาจากภายในกิเลสที่มีอยู่ภายในจะแก้ได้ด้วยวิธีใดทํำในแก้ได้ด้วยความรอบคว่าที่แสดงออกนี้ถ้าความรอบคว่าแสดงออกภายนอกมีน้อยภายในที่จะแก้กิเลสคือสติปัญญาที่จะนําไปแก้กิเลสภายในก็ต้องแสดงออกขนาดเดียวกัน ความรอบครอบข้างนอกมีมากที่จะนำไปแก้ภายในก็ต้องมีมากแล้วมีทางที่จะแก้ไขไปได้โดยลำดับนี่มันส่อ ถ, ถึงกันอยู่เสมอการจะแดกแสดงออกมาภายนอกเป็นเรื่องประกาศความโมง่ความฉลาดของตัวเองยิงเล้ตเตือนเสมอพระเนรดุดด่าว่ากล่าวไปเรื่อย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 เราสนใจในประโยชน์ที่จะพึงได้เพราะการแสดงออกของเราแลวผู้ฟังจะได้คติในขณะนั้นเท่านั้นถึงเน้นยงไปเสมอว่าสติปัญญาสติปัญญาอย่างนั้นแม้แต่มรรคแปดก็ยังมีสมาธิขึ้นต้ น, นความรับคอบ ถ้าคนก็ต้องเป็นหัวหน้า ง, งานคนฉลาดต้องเป็นหัวหน้า ง, งานเมื่อหน้า ง, งานใดฉลาดงานนั้นๆลูกน้องก็ดีงานก็ได้ผลดีถ้างโง่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรมิหนำช้ำยังทำให้งานนั้นผดิดพลาดไปด้วยแค่ทำกิจอื่นเสียไปด้วยไม่น้อยเกีย่ยวกับการปกครองของตนนี้กว้างแค่ขนาดไหนเป็นสาคัญ แล้ที่อยู่ในมงวัดหนึ่งก็พอทราบได้วันใดถ้าครูวาจะครูวาอาจารย์มีความเข้งมงวดกวดขันกับพระเนนดูพระเนนวันนั่นก็น่าดูาวันไหนอาจารย์ใจดีไม่ค่อยจะอะไรกับพระกําเนิดก็เป็นเพลิ น, นผ่านผ่า น, านดูแล้วก็ไม่ น, าน่าดูหรืออาจจะขึ้นอยู่กับผูหัวหน้านอีกด้วยใครก็พิจารณาไม่ออกเราไม่กล้าจะวินิจฉัย เหมือนวัฒนธรรมมั่นอย่างนี้ใครเข้าไปก็เข้าไปจะเป็นระเบียบเดียวกันหมดเพราะท่านเข้มงมดกดขันตาก็เป็นครูมองไปไหนนีมันก็เหมือนอย่างที่เขาเขียอยุ่งหมายมาเลยเหมือนกับพรามง้อใจเป็นอย่างนั้นเพราะตาผู้มีความเฉียยวฉลาดแหลมคมมีความหมายไปด้วย กิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมมีความหมายไปหมดท่ออกมาจากใจแห่งความหมายใจเป็นธรรมชาติที่มีความหมายอย่างยิ่งยิ่งใจเป็นธรรมทั้งดวงด้วยแล้วการแสดงออกจะต้องมีความหมายไปทั้งนั้นเรื่องที่จะเป็นโมฆะแสดงอองเฉยๆนี้รู้สึกจะไม่มีพูดออกมาแต่ละคำและประโยคเป็นคติ จะพูดทีเล่นทีจริงมีธรรมะสอดแทรกมาด้วยทั้งนั้นถ้าผู้สนใจจะฟังอัดบ่งธรรมจากท่านจะได้ฟังอีกทุกระยะที่เคลื่อนไหวของท่านนอกจากจะแบบที่ว่าไปก็ไปอยู่ก็ดูไปอย่างนั้นบางสนใจในเหตุในผลในแง่ต่างๆที่ท่านแสดงออกก็เลยถือเป็นธรรมดาเนาะบางทีท่านพูดทีเล่นทีจริงก็เลยทําให้สนุกสนานเล่นลื่นไปเทีย่ยว โดยไม่คิดหาเห็ครับผมพอจะเป็นประโยชน์แก่ตนเลยนี่มีจำนวนมากการแสดงเกีย่ยวกับเรื่องความภาพเพียนท่านรู้สึกว่าเข้มข้นมากขณะที่แสดงบอกอุบายให้พระไปะอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นไปเห็นว่าหนะนักนีงที่ที่ว่าน่ากลัวนั่นแหละ พิเรศตัวพาให้หน่ากลัวมันจะได้หมอบใช่ไหมจะกลัวไปไหนคนในโลกนี้ปักชาเต็มตัวนั่นฟังดูกันมาไปอยู่สถานที่ใดที่จะไม่ตายถึงเวลาแล้วมันตาย้วกันทั้งนั้นแต่ทําไม่เคยปรากฏนี่ที่มันตายล่มจมไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์เพราความโง่พาให้ตายนั่นตายด้วยความฉลาดตายด้วยอัตถุธรรม พระพุทธเจ้าท่านชมเชยชมเชยสนเสริญมากจึงสอนพระลูกบูรเชสนางไปหาอยู่ในต้นไม้ชมาเขาที่ไหนที่จะเป็นที่บําเพ็ญได้รับความสะดวกสบายให้ไปสู่สถานที่นั้น น, นั่นฟังเสด็จนยพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้สอนพระไปให้ตายน่นะสอนพระไปให้ฆ่ากิเลสให้ตายในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยทรงบําเพ็ญมาแล้วอย่างนั้นจึงแนะนําเหตุผลที่เคย พูดปฏิบัติมาแล้วได้ผลมาแล้วมาสั่งสอนบรรดาสาวกทั้งหลายทําไมเราจะกลัวจะ ต, ตายแล้วหนีพ้นไหมละความตายนานเวลาท่านเด็ดท่านเด็ดจริงจริายปนี่สถานที่ไหนที่กลัวมากๆท่านแหละเป็นที่ทกิเล ด, ดจะได้หมอบถ้าเป็นนักต่อสู้ถ้าคนขี้ขลาดแบกลัวแล้วไปที่ไหนก็จะไปสันเทาเทาไม่ได้เรื่องอะไรเลยเี่แม้จะอยู่กับหมู่กับพระนะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนประเภทนั้น เขาในป่าก็เป็นแบบนั้นอยู่ในกระหม่ก็คณะเขาเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบเกา่านั่นแหละแบบมันเป็นท่านานต่างเวลาทำพูดน่าฟังแล้วผูดที่มุ่งต่ออาตธรรมไปแล้วใจมันต้องสั่นเล็ก ๆ, ๆทีเดียวพอได้ยินท่านตุกประสาทปลูกจิตปลูกใจมันเหมือนจะฮอเหินเดินฟ้าทั้งทั้งที่ไม่มีปีกคือจิตมันห้าวหานนั้นเด็ดเดี่ยวท่านในจิตแล้วไปก่อนนั่นแหละ อันนั้นเป็นคติไปด้วยยิ่งไปสู่สถานที่น่ากลัวดังที่ท่านว่าแล้วอันนี้ขึ้นแหละท่านอาจารย์มั่นท่านมาสอนเรามาให้เพื่อความตายนะท่านสอนมาเพื่อทำท่านสอนมาวิธีใดแต่เป็นจะตายให้มุ่งต่ออัตถธรรมเอาเถอะความตายนี้มอบไว้ในคติธรรมดาทำจะเกิดด้วยวิธีใดให้เข้มแข็งให้พิจารณาปุดค้นขึ้นมาให้รู้เห็นภายในจิตใจจิตมัก็ ข้าวหาันเสือก็หึ่มกระหึ่มเนี่ยก็เอาเสือก็เสือเสือก็ตายเหมือนเราเราก็ตายเหมือนเสือเสือกินเราแล้วเสือเราเสือก็จะตายนี่เราตายในวันนี้เสือตายในวันหน้านี่มันอาจหานนะความอาจหารในวันเลยไม่กลัวแม้แต่ที่เสือก็เป็นสัตว์เป็นอันตรายแต่มันไม่ได้ถือเป็นอันตรายในขณะนั้นเพราะทำข้อนี้เหล่านี้แหละ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 มันเข้ามาฐานของมันแล้ว ท, ทั้งที่คิดถ้าอ่านได้อยู่ก็ตามมันก็ไม่กลัวเดินโยกมได้อย่างสบายไปที่ไหนไปได้หมดเมื่อบสละความตายเสียเท่านั้นในขณะเช่นนั้นเหมือนกับว่าเป็นผ้าขี้ริ้วฝืนหนึ่งไม่มีคุณค่ามีราคาในส่วนร่างกายนี้เลยอลไรจะเอาม า, อาไปก็เอาไปเถอะแต่เรื่องธรรมถือเป็นคุณค่าอย่างยิ่งเหนือจิตใจจิตมีความมุ่งมั่นต่อสิ่ง น, นั้นเท่านั้น อยู่ไหนก็อยู่ได้นั่งอยู่ไหนก็สบายไปหมดเสือก็หืมก็หืมมก็ไม่สนใจไม่กลัวเสือก็สัตโลกอันเดียวกันเกิดจากเจ็บตายด้ยวยกันหมดทั้งสิ้นแน่มันลงนี้หมดเสียหนึ่งจิตมันยิ่งตั้งท่าตั้งทางอาดหานเรื่องเลิงในอัดในธรมสติสตางอยู่กับตัวเย็นอบอุ่นก็ถูกเย็นก็ถูก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 เอาให้สงบกันแนวลงไปเลยเวลาออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็หมุนติวติวติวเนี่ยเป็นขั้นของสมาธิกับปัญญาที่เกี่ยวโยงกันแต่พอถึงขั้นปัญญาล้วนแล้วไปที่ไหนก็มีแต่ปัญญาไอ้เรื่องสัตว์เรื่องเสือไม่มีแหละมันหมดความหมายไปหมดแล้วแหละไสนใจกับว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นพายสัตว์ตัวนี้เป็นพิษนอกจากสนใจกับกิเลสตัวแสดงอยู่ภายในจิตนี้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 าการฝุกกิจมันฝึกอย่างนั้นเวลาเด็ดเด็ดเต็มที่เด็ดจนไม่หมายปะช้าคนทั้งโลกมีเราคนเดียวเท่านี้อไม่หวังเพื่อนใครเป็นกับตายก็เราเป็นผู้รับผิดชอบเราเองเอาตายก็ตา ย, ายจําเป็นจะต้องมาหาอะไรมาเผาศพเผาเหม็นกันสัตตายอยู่ในโลกไม่มีใครไปเผาศพมันะเราทําไมจะหาคนมาเผาศพล่ะมันเปนอ่างนันกิจนี่คือความปลูกตัวเอง แต่นั่นก็ตายนีตายไปแล้วเสียดายอะไรหวงมันอะไรมันตายมันใช้ไม่ได้แล้วถึงตายแล้วเป็นห่วงอะไรอีกหรืหวงสิ่งที่ใช้ไม่ได้น่ะเวลาที่ใช้ได้นี่ใช้ที่าจะให้เป็นประโยชน์อะไรใช้ลงไปเอาให้เต็มเมฆเต็มหน่วยเอาให้เต็มอัดเต็มทำเต็มความสามารถให้รู้อย่างถึงใจอุบายดีทีปลุกตัวเองขิดก็ห้ามหาน อยูคนเดียวน่นกับรื่นเริงรื่นเริงภารกิตกับธรรมนี่มันผิดกับรุ่นเริงนะกับสิ่งทั้งหลายอยู่มากรุ่นเริงกับสิ่งนั้นสิงนี้เมื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้หายไปหายไปเรือเพื่อนฟูงเพื่อนฟูงพรพาดาดจากกันไปแล้วก็เศร้าเป็นทุกข์ขึ้นมาด้วยความเศร้ารุ่นเริงในธรรมอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงอดอิ่มก็รื่นเริงความทุกข์ความลําบาก เพราะการปลูกทรมานมันก็รื่นเริงเพราะรื่นเริอยที่ใจใจไม่กเจ็บท้องปวดหัวเหมือนกับร่างกายมันเจ็บมันปวดเพราะกิเลสเจ็บแทงต่างหากขอเรามีความเพียรปราบกิเลสตัวเจ็บแทงอยู่โดยสม่ำเสมอกิเลสตัวไหนจะมาเจ็บแทงจิตใจให้มีความทุกข์ความลำบากจะทําให้จิตเป็นไข้เหมือนร่างกายเป็นไขด้ด้วยกิเลสมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พอเราปราบกิเลสตลอดเวลา ท่านบําเพ็ญครูบาอาจารย์พุทธิจารย์ได้มาสั่งสอนอบรมพวกเราส่วนมากมีแต่สมบุกสัมบันมาแทบล้มแทบตายสิ้นชี้ิอดมาแล้วทําทุ่งโถ่ขึ้นมาแล้วได้นํามารวมสั่งสอนนับตั้งแต่พระพุ่ธเจ้าลงมาก็เป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าอย่างอื่นผู้ที่สาเร็จได้อย่างรวดเร็วก็ยกให้ท่านเพราะเป็นผู้เต็มภูมิเกือบเต็มภูมิมาแล้ว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 เราต้องเป็นูนแก้เราเองอัตติปนุาโถประเภทหนึ่งอยู่ตรงนี้นามาใช้พยายามรับผิดชอบตัวเองจะไปหวังพึ่งพิงอายมันจะเป็นเหตุให้นอนใจเราเกิดมาก็หวังพึ่งคนอื่นมาเป็นประจำอยู่แล้วเป็นเด็กก็หวังพึ่งพ่อพึ่งแม่เพื่อนฝูงขี่เี้ยงนางนมหวังพึ่งมาโดยลำนับพึ่งเข้าโรงเรียนโรงเรียนกับพึ่งครูพึ่งอาจารย์เพื่อนฝูงเนี่ยพึ่งมาโดย ตลอดอยู่ในบ้านในเรือนก็พึ่งกันเรื่อยๆพึ่งมาเรื่อยภารกิจมันมีแต่ความพึ่งผู้อื่นไม่ได้คิดจะพึ่งตัวเองทีนี้มาปฏิบัติธรรมเบื้องต้นก็ต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์เพื่อให้อุบายแนะนําสั่งสอนพอได้รับธรรมจากท่านแล้วเ อ, เอาทำเข้าไปแก้ไขตัดแปลงหรือฝึกฝนทรมานตนเองเพื่อความพึ่งตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัตินั้นๆีนั่ น, น, น, น, นเวลานี้ให้ย่นทำามาตรงนี้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 นรรั่ทราบตัวเองว่าเป็นผู้ให้ทุกข์แก่ผู้ใดเราทํามาเป็นแบบไปหามันว่าเราเป็นทุกข์ทั้งๆที่ทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่ตานมนธรรมชาติท้องหมัดแหากเรารู้ตามความจริงมันเสียด้วยปัญญาของเราแล้วทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่จริงๆนั่นไม่ได้มาเป็นเครื่องกดถ่มงจิตใจเราอะไรเลยนอกจากเราไปแบบไปหามเขาด้วยความวรูปหลงตัวเองเท่านั้นจึงจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาท่านสอนทำท่านสอนเพื่อให้รู้ความจริงของแต่และอย่างอย่างนี้เอง มันไม่มากไม่น้อยมันมีเท่าขันนี่แหละไม่เลยจากนี่ไปทนได้ก็ทนไปขันนั่นแหละมันทนทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้มันก็สนายตัวของมันไปเองจิตของเราจะไปแบกไปหามมันให้รับความทุกข์ความลําบากแบกหามแล้วนยังด้วยอำนาจของอุปทานก็เกิดความทุกข์นายานจิตใจร่างกายแตกยังไงแล้วจิตใจยังหอบกองทุกข์ไว้ ด้วยหอบในปัจจุบันนี้แล้วยังหอบไปในพบหน้าอีกไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากทุกข์ร้อนร้อนด้วยความหลงตัวเองไปแบกไปหามเช่นเดียวกับไฟไฟก็เป็นของร้อนไฟเองยังไม่ทราบความหมายขอ ง, งตนว่ามันร้อนทําไมเราไปจับไฟให้เกิดความร้อนจกิดตัวเองเราเนี่ยร้อนใครทราบมันร้อนอย่ไปจับมันทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์อย่าไปยึดมันมรู้ตามเรื่องของทุกข์เนี่ยเรื่องก็มีเท่านั้น ถ้าเราทราบแบบนี้แล้วใจก็ไม่เป็นทุกข์สบายถึงร่างกามจะเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองก็ตามด้วยอำนาจแห่งความทุกข์ที่แสดงตัวขึ้นมาในขนา น, นั้นตามเรื่องของขันใจแล้วก็เย็นสบายเพราะความรู้เท่าทันกันแล้วไม่มีอะไรร้อนนอกจากใจถ้าใจรู้แล้วไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจนี่หลักอยู่ที่ใจที่ใจทั้งนั้นขอให้พิจารณาเรืความนอคอบเถิด จิตต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้ายังมีบกพร่องที่ตรงไหนทุกจะแทะเข้ามาตรงนั้นจนได้เพราะนั้นเราจึงต้องฟิดฟิดปัญญาของเราให้ทันสติให้ทันกับสิ่งเหล่านี้อย่าให้เข้ามาทําลายจิตใจได้ขันมันเป็นขันรุนร้วนก็ทราบมันเป็นขันอยู่เแล้วไม่ใช่เรารูปก็ทราบว่ารูปกายกองท่ากองขันอยู่แล้วหเหตุทนาเรื่อง ความสุขความทุกข์ทีป่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจนั้นก็เป็นขันธ์อันหนึ่งอยู่แล้วนะจิตผู้รู้เรื่องขันธ์ก็เป็นอันหนึ่งอยู่แล้วปัญญาเป็นเครื่องต้านทานปักปันเขียดแดนด้วยความรู้ความเข้าใจในระหว่างขันธ์กับจิตอย่าให้มาคลาดเข้ากันเมื่อจิตกับขันธ์ไม่ได้คลาเ ข, ข้ากันแล้วถึงขันธ์จะเป็นอะไรก็ทราบตามความจริงของมัน ทราบตามผองหญิงมันไปโดยลำหนักลำหดับๆๆไม่แสดงความดีใจเสียใจต่กับขันที่แสดงตัวตามเรื่องของมันแล้วก็สมายนะการพิจารณาขันก็เพื่อพิจารณาเพื่อจิตผู้ไปหลงนี่เองลําพังขันธรรมดาอยู่แล้วนั่นน่ะเป็พิจารณาเขาทําไมเขาก็เป็นขันอยู่งั้นทุกเขาก็เป็นของเขาเวลาเกิดก็เป็นทุกของเขาดับก็เป็นทางเรื่องของเขาเนี่ยลูกกายนี่เหมือนกั น, นก็เป็นตามสภาพของมันอยู่เช่นนี้ทำไมยิ่งต้องพิจารณามัน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 แต่ก็ไม่มีอะไรเป็นความหมายพอจะให้เกิดเขาตกสถานภนาจิตใจเรื่องขันมันแตกเฉยอนจึงว่าพระรหันธ์ท่านท่านมีความรู้สึกในธาตุใ น, ในขันในขณะที่เป็นอยู่กับขณะที่สลายไปนั้นน่ะมันเท่ากันท่ันบ่างไหมทำไมจึงเท่ากันอ๋อก็ท่านไม่ได้ได้ความดีความชั่วอะไรจากขันที่ยังทรงตัวอยู่นี้และไม่ได้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 เพียงขันเท่านี้ท่านจะมาหวังเอาอะไรนั้นมันก็เป็นสมมุติเช่นเดียวกันนะท่านทราบตลอดทั่วถึงอย่างนี้ท่านจึงไม่มีแง่ใดซึ่งเป็นความรู้สึกว่าจะหนักเบาต่างกันในความเป็นอยู่และความสลายไปนอกนอกจากท่านจะแยกออกไปเพื่อโลกปวดสงสารและรับประโยชน์นั้นความรู้สึกในความเป็นอยู่นั้นจึงมีน้ำหนักมากกว่าความสลายไปที่ความตายต่ของท่านหรือท่านมีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งท่านก็ควรจะทําประโยชน์ให้โลกได้เท่าที่ควร เมื่อผ่านไปเสียโลกที่ควรจะรับประโยชน์จากท่านก็เป็นอันมากสิ้นสุดลงไปจึงเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกในความเป็นอยู่ว่ามีน้ำหนักมากกว่าการสลายไปนี่ก็เพราะความรู้สึกเพื่อโลกต่างหากไม่ได้เพื่อท่านสําหรับเพื่อท่านแล้วไม่มีความหมายอันสิ่งเหล่านี้เรื่องถาดเรื่องขันเรื่องความเป็นอยู่เรื่องความตายแต่ไม่มีความหมายหลไรทั้งนั้นสําหรับผิดที่พอตัวแล้วนเอาอะไรจาก สิ่งแบบนี้ดู่แล้วกันแต่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละแล้วผิดชอบกันไปตามเรื่องตามราวไ ป, ไปไมันหิวกับภากินเสียเนี่ยหายกับภาดื่มน้ำเสียม่วงเหงาห้อนงนอนก่อนภานอนเสียเปลี่ยนเยียบิดก็เปลี่ยนไปเสียภาราฮาเวกันจักขันธาแสดงชัดเจนให้ท่านเห็นมืนมีมีอะไรที่มากอกบนในโลกนี้ โลก่กว้างแสนกว้างมีอะไรมาก่อขวนไม่เห็นมีอะไรมาก่อขวนนอกจากขันที่เจ้าของรับผิดชอบอยู่เวลานี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ก่อขวนอยู่ตลอดเวลาเจ็บนั้นปวดนี้เดี๋ยวยิ้ยวด้วยเดี๋ยวก็หาเจ็บท้องปวดหัวยุ่งกันไปอยู่ตลอดเวลาอืพราราฮเวปันจักขั้นฐานมันหนักด้วยการรับผิดชอบนี้เองไม่ใช่หนักด้วยอุปท า, านเหมือนแต่ก่อนที่มีกิเลสอยู่แต่มันก็หนักด้วยความรับผิดชอบ เราจะนั่นการเรียนรู้ขันอย่างพอตัวอุ้รอบตัวแล้วจึงเป็นความสบายสิ่งภายนอกมันกายแสนกายมากอย่างไรก็เกี่ยวเนื่องไม้ไ ม, ไม่เป็นความรับผิดชอบของเราเหมือนขันเมื่อสรุปแล้วก็มีแต่ขันเท่านั้นเป็นตัวการให้เรารับผิดชอบผูกมีกิเลสอยู่ก็เอ้าก็มีกิเลสเป็นตัวการ รู้แย่ก่อกวนให้วุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนะว่าแต่เขาไม่รูมันรู้อย่ก่อกวนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวของนิสิตหนึ่งคือตัวอาธรรมมันชอบจะทําลายธรรมที่มีภายใจิตใจของเราจะสร้างอับสร้างธรรมขึ้นมาเพียงเล็กๆ็กไน้อยเนี่ยมันพยายามมาทําลายมาจรีดมา ก, กันเรื่อยไปเ น, นี่เนี่ยตัวสําคัญตัวบาตรตัวกรรมตัวเทวทัต มันอยู่ภายในกิตใ จ, จึงถ้าพยายามปราบตัวเทวทัศนภายในตัวของเหล่านี้แต่พระตำหนิเทวทัศโนโน้นเทวทัศภายในตัวของเรานี่แหละมันมาทำทุกข์แกเราเทวทศัศท่มนามันเดยมาทําให้ใครเทวทัศนที่อยู่ในเรานี่แหละมันทําลายเราอยู่ต ล, ลอดปิด ก, กั้นลุยเย่กคุณหลอกลวงปิ่จนจ่อนไม่ทราบว่ากี่เนี่ยกี่มุมวันหนึ่งวันหนึ่งตลบทบทวนนับไม่ได้ ด้อยคนมายาของกิเลสตัวเทวทัศนี่นั้นถึงต้องแก้ที่นี่ปราบกันลงที่นี่ตัวฆ่าสึกมันอยู่ที่นี่สติปัญญาให้พอให้ขุดค้นขึ้นมาพิณิพจารณาโดยเอาธาตุเอาขันเป็นหินลับสติปัญญาพิจารณาให้ดีหินรับปัญญาที่เหมาะสมที่สุดก็คือธาตุขันของเราเนี่ยภูปรากฏขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันถูกเนี่ยมันทุกอย่างนี้เนี่ย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 ควาเกิดเป็นทุกข์ชราพยาธิเป็นความทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่เรื่องทุกขักระสัเป็นอย่างนี้ทันว่าเราย่นเข้ามาให้เห็นตัวโทษจริงๆคือตัวอะไรทําขั้นละะเอียดเกิดก็เกิดมาแล้วทุกข์ก็ทุกข์มาแล้วมันผ่านมาแล้วเนี่ยชราพยาธิมันเกิดเป็นตามเรื่องของทายของขันใครไปหาเรื่องหาลาว้อ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 พอถึงเอาก็จบขวางหน้านหะ้นะมองเห็นเงตัวเอ ง, งคือปัญญาย้อนกลับมาพิจารณาตัวนี้ให้เห็นเรื่องของกิเลสมันอยู่ที่ใจนะฮะคาัเกิดกับตัวนี้ผ่าแก่ผ่าเจ็บภ่าตายให้เป็นพวกเป็นธาตุเป็นธาตเ ป, าเป็น ข, นขันก็คือตัวนี้เนี่ยพอตัวนี้ดับไปแล้วถ้าตขันมันเป็นซึ่งเป็นนิบาสคือผลของมันก่อเป็นกากระเสียมสมบัติ คันยิ่งใหญ่ของเราได้แล้วภายใจิตใจเหน่ยมหาสมบัติคือจิตของเราที่ผ่องใสและบริสุทธิ์เป็นมหาสมบัติเป็นท่านๆขึน้นไปจนกระทั่งเป็นความรู้สุทธิยินงเดียกว่ามหาสมบัติเป็นผูน้นี่ละ่ะเป็นสานะสาคัญภายในตัวของเราไม่เีเท่านี้มีจิตดวงเดียวเท่านี้เรียนยากนะเรียนเรื่องจิตที่จะให้ทราบจิตอยู่ในธาตุในขันมันรู้ไปหมดทุกแห่งทุกผล สูงต่ำในบรรดาร่างกายของเราความรับทราบความรู้นี้มีเต็มไปหมดมันรับทราบไปได้หมดเลยถือตัวจริงไม่ได้ว่าอะไรคือจิตนี่ต้องเรียนด้วยหลักอิตตพวนาเห็นแคทราบย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงตัวจริงคือตัวจิตเมอเรียนจิตจบแล้วมันก็หายสงสัยเรื่องทั้งโลกทั้งหมดหายสงสัยหมด หายสงสัยแล้วทุกข์มันก็ไม่มีจะมีมาจากไหนนักรบรบคั่เรียเลตนี่นะเป็นนักรบสู้วยเลต์ขึ้นเป็นตัวภัยของเราแก้ตัวภัยปราบกรามตัวภัยให้หมดไปแล้วเราก็สิ้นภัยหมดภัยไม่มีอะไรเป็นภัยอถึงแดนอังกฤษ ทัานว่าถึงแดนเกษมคือแก้สิ่งที่เป็นเพลาแล้วมันก็หมดเรื่องมันเท่านั้นน่ะท่านก็ยกขึ้นเป็นจุมพิตว่าถึงแดนเกษมเหมือนว่าเก้าวไปถึงแดนโนู้นแดนนี้แดนไหนก็คือจิตดวงนี้เรื่องสิ่งที่เป็นทักษิณจะตนออกหมดโดยสิ้นเชิงเท่านั้นก็เป็นแดนอันเกษมขึ้นมาภในตัวเองอันนี้เ็แดนดาวเทวนุ